เจริญพรท่านพู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้เข้ามาวัดเพื่อเข้ามาศึกษา ทำเทศทำธรรมและทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้สว่างทำใจให้เบิกบานเพราะความสุขความสว่างความเบิกบานของจิตใจเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรที่จะติดไปกับใจ ไม่ว่าใจจะไปอยู่โูมใดชาติใดใจจะมีความสุขติดตามไปเสมอถ้าใจไม่อยู่ห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแหล่งเป็นบ่อเกิดของความสุขใจนี่เองพูดที่ได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นคนแรก ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราหลังจากที่พระองค์ได้ส่งคนพบความสุขใจอันยิ่งใหญ่และถาวร น, นี้แล้วพวระองค์ก็ส่งนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราได้รู้กันแล้วถ้าพวกเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นการกระทำที่จะทำให้เกิด ความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริงแลวเรานำเอาไปปฏิบัติผลก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับได้ทรงเห็นได้ทรงสัมผัสเพราะผลนี้มันเกิดจากเหตุไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้ขึ้นกับบุคคลสมัยพระพุทธกาล ปฏิบัติธรรมแล้วทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาสมัยปัจจุบันถ้ามีการปฏิบัติธรรมผลคือความสุขใจก็จะเกิดตามมาเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าใครจะเป็นผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ผลก็จะได้เช่นเดียวกันเป็นหญิงเป็นชายถ้าปฏิบัติได้ก็ได้ผลเหมือนกัน เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเป็นพระเป็นคารวะญาติโยมถ้าปฏิบัติผลก็จะได้เหมือนกันเพราะเหตุของผลนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่อยู่ที่การปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใจเราปูกใจว่าให้ติดอยู่กับพระพุทธก็ธรรมพระสงฆ์ให้มีพระพุทธก็ธรรมพระสงฆ์คอยเป็นผู้นำทางเป็นผู้คอยเตือนใจสอนใจให้เราคิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลก็จะปรากฏขึ้นมาคือความสุขความเจริญของจิตใจ จิตใจของเรานี้ยังต้องการพัฒนาขึ้นไปอีกหลายขั้นด้วยกันกว่าจะถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าเป็นเหมือนกับการศึกษากา ร, รเรียนจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังอยู่ชั้นปรถมหรืออยู่ชั้นอนุบาลอยู่เรายังต้องพัฒนาให้เราขึ้นไปจากชั้นปรถมขึ้นสู่ชั้นมัธยมขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษา สู่ระดับปริญญาเตยปริญญาโทและปริญญาเอกชีวิตของเรายังต้องมีการพัฒนาเพราะว่าจิตใจของเราตอนนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร น, นั่นเองเพราะเรายังไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างตลอดเวลาถ้าเราได้เข้า ศึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตลอดเวลาการพนาของเรานี้จ ะ, จะเจริญ ก, ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไปถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนปัญหาคือเรานานๆจะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันสักครั้งหนึ่งเช่นวันนี้เป็นวันหยุดการทำงานเราพอมีเวลาว่างเราก็เลยเข้ามาวัด เพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะทำให้เกิดผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับแต่การปฏิบัติเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี้ยังถือว่ายังไม่อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่าที่ควรควรจะมาอยู่วัดอย่างถาววเลย ถึงจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างพระภิกษุสามเณรที่มาบวชเรียนนี้ถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตจิตใ จ, จของตนให้สูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องถ้าเป็นนักเรียนก็ไปโรงเรียนทุกวันไม่ใช่ไปอาทิตย์ละครั้งถ้าไปโรงเรียนอาทิตย์ละครั้ง พอถึงเวลาสอบก็จะสอบไม่ได้สอบไม่ได้ก็ไม่ได้เลื่อนขึ้นไม่ได้เลื่อนชั้นไม่ได้ขึ้นไปสูงขึ้นไปดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาวัดเราก็สามารถ มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ใกล้ตัวเราได้ถ้าเราละลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณอยู่เรื่อยๆเช่นให้เราละลึกถึงพระพุทธเจ้าความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นเป็นใครมาจากไหนทำไมพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่ศึกษา เราไม่รำลึกเราก็จะอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสารแต่ถ้าเราหมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระประวัติอันด falando, ีงามของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สงสัยเราก็จะมีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกก็คือผู้ที่ได้นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนได้พบกับการพัฒนาที่สูงสุดคือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือผู้ที่จบปริญญาเอกในทางพระพุทธศาสนานี่อง ได้รางวัลอันยิ่งใหญ่คือบรลลังสุขปรลังสุขขังไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปผู้ใดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดผลก็จะได้เช่นเดียวกันอย่างพวกเราถ้าพวกเราอยากจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันอยากจะได้ ไปถึงพระนิพพานกันอยากจะได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพวกเราก็สามารถทํากันได้ในภพนี้เลยในชาตินี้เลยเพราะไม่มีภพไหนชาติไหนที่จะมีโอกาสดีเท่าภพนี้ชาตินี้เพราะภพนี้เรามีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นําทางพาเราไปสู่พระนิพพานนั่นเอง ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงพระนิพพานได้เลยเพราะเราจะไม่รู้จักทางและไม่มีใครที่จะมาบอกทางให้กับเรานั่นเองนานๆถึงจะมีผู้มาบอกทางให้กับเราสักครั้งหนึ่งเช่นมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาพบทางที่จะพาให้จิตใจของพระ อ, องค์นั้น ได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เอาความรู้อันนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้ไม่รู้อย่างพวกเราพอพวกเราเรียนรู้แล้วเราเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเดินไปกันเราก็จะไปถึงพระนิพพานได้ชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่วิเศษมากที่สุด ในบรรดาภพชาติต่างๆที่เราได้มาเกิดแก่เจ็บตายกันนานนเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ชาตินี้เป็นชาติวิเศษถ้าเป็นชาติอื่นๆต่อให้เราทำบุญมากน้อยเพียงไรก็ตาม เราจะไม่สามารถเดินทางไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองนอกจากว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเดินไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองนอกนั้นไม่มีใครจะสามารถเดินทางไปถึงได้การที่เราจะมาเป็นพระโพธิสัตว์ได้นี้เราก็ต้องสะสมบารมีต่าง เป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันจนกว่าบารมีที่เราสะสมไว้นี้จะแก่กล้าพอที่จะทำให้เรามีปัญญาสามารถเห็นทางที่จะพาให้เราเล่นลอดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอน พวกเราก็ไม่ต้องสะสมบารมีเป็นกับเป็นกันเราสามารถที่จะเดินทางไปถึงพระนิพพานได้อย่างง่ายดายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับมีถนนทําไว้ให้เราเดินแล้วถ้าเราต้องทําถนนเองสมมุติว่าเราอยากจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ไม่มีถนนเราต้องสร้างถนนเองกว่าเราจะสร้างถนนเสร็จ บางทีเราก็จะอาจจะตายไปก่อนก็ได้แต่ตอนนี้มีถนนพาให้เราไปถึงเชียงใหม่ได้ถ้าเราขับรถไปไม่กี่ชั่วโมงเราก็ไปถึงเชียงใหม่ได้ฉันใดการได้หลุดพ้นออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เป็นอย่างนั้นต้องมีถนนให้เราเดินไปหรือขับรถไป ถนนนี้ก็คือพระพุทธศาสนานี่เองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ต้องสร้างถนนเองเราก็ไม่รู้ว่าจะสร้างไปทิศไหนดีทางไหนดีเพราะเราไม่รู้ว่าพระนิพพานตั้งอยู่ทิศไหนนั่นเองสร้างถนนไปก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันดังนั้นการที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ยากอย่างที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้แต่เวลาได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้กลับกลายเป็นเรื่องง่ายมากพอมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมามีพระธรรมคาสอนก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกบรรลุกันเป็นจานวนมากเลยแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัต ทำให้ตอนได้เป็นพระอาลาัรกันเลยนี่แหละคือความเววิเศษและโชคอันใหญ่ยิ่งของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในภพนี้ชาตินี้และได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราทำกันอย่างเต็มที่เหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานทำการ ทำมาหากินรับรองได้ว่าผลที่เราต้องการนี้จะไม่ใช้เวลามากเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าอย่างมากเจดปีก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่เราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานเราทำงานทุกวี่ทุกวันเราไม่มีเวลาหยุดวันหยุด หยุดก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไว้พักผ่อนพอวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มุ่งไปที่ทํางานไปทํางานทําการเราจึงมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมกันฉันใดการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมเป็นเป็นผลที่ปรากฏขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราก็ต้องปฏิบัติกันอย่างเข้มข้น ปฏิบัติกันอย่างตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติอย่างตลอดเวลารับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและได้รับผลมาแล้วนั่นเองเช่นพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีพระที่ท่านได้ปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กัน เป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านั้นเพราะปกติแล้วนิสัยของพระอรหันต์นี้จะไม่ชอบโอ้อวดจะมักจะเก็บตัวทำตัวแบบไม่เป็นอะไรทั้งนั้นถ้าใครดูแล้วก็จะไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคาสอนของท่าน แล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะรู้ว่าบุคคลที่สอนนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความฉลาดมากที่สามารถสอนในสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวของเราเอง <Yeah. S 1> การที่เราจะรู้ว่าพระรูปใดบุคคลใดนั้นเป็นพระอรหันต์จึงเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเราไม่เข้า <Yeah. S 1> หา พระนั้นและเข้าไปศึกษาจากท่านศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วพอเราได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆเราก็จะได้รู้ว่าพระรูปนั้นบุคคล น, นั้นเป็นพระที่มีความรู้ในทางธรรมเป็นผู้ได้บรรลุธรรมมาแล้วเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้บรรลุธรรมมาแล้ว ท่านจะไม่สามารถสอนให้เราบรรลุธรรมได้นี่คือวิธีที่เราจะรู้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้เป็นพระระดับไหนเราต้องเข้าศึกษาจากท่านแล้วนําเอาคําสอนของท่านไปปฏิบัติถ้าเราสามารถบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ได้เราก็จะรู้ว่าพระรูปนั้นท่านได้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้แล้ว นอกจากนอกจากนั้นก็จะมีอีกวิธีหนึ่งยะถ้าอยากจะรู้ว่าพระรูปนั้นเป็นพระอารหันต์หรือไม่ก็ต้องรอเวลาที่ท่านตายไปแล้วแล้วเก็บกระดูของท่านมากระดูของท่านได้กลายจากกระดูไปเป็นพระธาตุเราถึงจะรู้ว่าพระรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์แล้วเพราะตามปกติแล้ว คนธรรมดาสามัญ น, นี้จะกระดูกจะไม่กลายเป็นพระธาตุเวลาตายไปแล้วกระดูกจะผุจะจะกลายเป็นเดินไปแต่กระดูกของพระอาหารหันต์นี้บางส่วนไม่ใช่ทุกส่วนจะกลายเป็นพระธาตุพระธาตุนี่ก็เป็นเหมือนก้อนหินดีๆนี่เองนี่คือสิ่งที่เราอาจจะ พอที่จะรู้ได้วัดได้ว่าพระรูปนั้นรูปนี้ได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์หรือยังอย่างพระพุทธเจ้าของเราพอหลังจากที่พระองค์ได้จากพวกเราไปแล้วหลังจากที่มีการถวายพระเพลิงแล้วก็พบว่าอัฐิของพระพุทธเจ้านี้ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นจำนวนมากพระธาตุที่พวกเรา เห็นบรรจุตามเจดีต่างๆนี้ก็คือพระอัติของพระพุทธเจ้าที่ได้กลายเป็นพระาธาตุไปแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของพระาธาตุแต่การมีพระาธาตุมาครอบครองนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเรานอกจากให้เรามีศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริง พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์จริงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพวกเราได้โดยการที่เราพึ่งผ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่ของพระทาตที่จะเป็นเครื่องยืนยันให้กับพวกเราให้รู้ว่าเราได้มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้และคำสอนของท่านนี้เป็นคำสอน ที่เป็นทางที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไ ด, ได้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแต่ถ้าเราได้พระท่านมาแล้วเราก็มานั่งอธิษฐานขอให้ร่มขอให้รวยขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ก็เราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากพระท่าน เพราะพระา น, นี้จะไม่สามารถดลบันดาลให้พวกเราได้อะไรตามที่เราต้องการได้เพราะว่าการที่จะได้อะไรตามที่ต้องการนี้ต้องเกิดจากเหตุเหตุก็คือการกระทำถ้าเราอยากร่ำอยากรวยเราก็ต้องขยันทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วพอได้เงินได้ทองมาก็ต้องเก็บเอาไว้ไม่ใช่เอาไปใช้ ถ้าได้มาเท่าไหร่แล้วเอาไปใช้หมดก็จะไม่มีวันร่ำรวยได้ถ้าอยากจะร่ำรวยพอได้เงินมาแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักเอาเงินนี้ไปขยายกิจการเอาไปลงทุนเพื่อที่จะทำให้ได้มีรายได้เพิ่มผูนมากขึ้นไปวิธีนี้แหละที่จะทำให้เราร่ำให้รวยได้ไม่ใช่ไปหาพระธาตุมาประดิษฐานไว้ในบ้าน ไว้ในโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็นั่งกราดทุกเช้าทุกเย็นขอให้ร่ำขอให้รวยพอมีเงินมีทองกี่บาทก็เอาไปซื้อข้าวซื้อของเอาไปเที่ยวเอาไปกินไปเล่นหมดถ้าทำอย่างนี้ไม่มีวันที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้ไม่เชื่อลองศึกษาดูประวัติของคนที่เขาร่ำรวยกันว่าเขาร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรคนบางคนเวลามาเกิดนี่เขาไม่มี เงินมีทองมาเลยพ่อแม่เขาก็ยากจนแต่เขาเป็นคนที่มีความขยันมีความขวนขวายที่จะศึกษาแนวทางของการหาเงินหาทองดูว่าควรจะที่ทำอาชีพอะไรควรชักค้าขายอะไรพอทำแล้วพอได้เงินได้ทองมาเขาก็ไม่เอาไปใช้เอาไปจ่ายใช้เท่าที่จำเป็นใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกาย เช่นเอาไปซื้ออาหารมาลับประทานซื้อเสื้อผ้ามาสวมใส่แต่เขาจะไม่เอาเงินไปกินเหล้าเมายาเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวกลางคืนหรืออาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าเป็นสิบสิบคู่ของเหล่านี้รองเท้าเท้าเราก็มีเพียงคู่เดียวทําไมเราต้องมีรองเท้าเป็นสิบสิบคู่กระเป๋าเราก็ใช้ทีละใบเท่านั้น ทำไมเราต้องมีกระเป๋าเป็นสิบสิบใบถ้าเราใช้แบบนี้รับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะร่ำรวยได้เพราะหามาได้เท่าไหร่ก็ต้องใช้มันหมดไปแต่ถ้าเราใช้แบบประหยัดมัธยัตใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้เท่าที่จำเป็นเราจะมีเงินเหลือจากรายได้และเราสามารถที่เอาเงินนี้มาลงทุนขยายกิจการ ทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่นานเพียงไม่กี่ปีก็กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ลองไปศึกษาประวัติของมหาเศรษฐีในเมืองไทยดูเขาทำมากันอย่างนี้ทท้านั้นเขาจึงร่ำรวยกันเขาไม่มาเสียเวลากับการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเขาเอาเวลาทั้งหมดมาทำมาหากิินหาเงินหาทองศึกษาแนวทางของการขยายกิจการ ให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไปเรื่อยๆเขาจึงกลายเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยนี่คือเหตุของการที่จะทำให้เล่าร่ำรวยไม่ใช่ไปหาพระธาตุมาบูชาแล้วก็มานั่งขอเช้าขอเย็นขอให้ร่ำ ข, ขอให้รวยหรืออยากจะได้ลูกก็ขอให้ได้ลูกถ้าลูกไม่ดีก็ขอให้ลูกดี ถ้าสามีภรรยาไม่ดีก็ขอให้สามีภรรยาดีการขอเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้พวกเราก็จะร่ำรวยกันเป็นมาหาเศรษฐีกันทุกคนมีลูกที่ดีมีสามีที่ดีมีภรรยาที่ดีกันหมดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทาของเราอยากจะได้สามีดีก็ต้องหาคนดีมาเป็นสามี อย่าไปหาคนไม่ดีมาเป็นถ้าหาคนไม่ดีมาเป็นสามีเขาจะเป็นสามีที่ดีได้อย่างไรคนที่ดีต้องเป็นคนอย่างไรก็คนที่มีศีลมีสัตว์นั่นเองมีความขยันหมั่นเพียรมีความประหยัดมัธยัตมีความมากน้อยสันโ ด, ดถ้ามีคนอย่างนี้มาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาก็จะได้สามีที่ดีภรรยาที่ดี ที่จะให้ความสุขกับเราถ้าไปได้คนไม่ดีคนที่ชอบกินเหล้าเมายาชอบเที่ยวกลางคืนชอบเล่นการพนันชอบค้คนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดค้างถ้าไปได้คนอย่างนี้มาเป็นสามีมาเป็นภรรยาก็จะได้ภรรยาและสามีที่ไม่ดีนะส่วนลูกนี้เป็นเรื่องที่เราเลือกไม่ได้เพราะว่าลูกนี้เขามาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้ พอเราตั้งท้องดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายเขาก็มาขออาศัยท้องที่เราตั้งนี้พอเขาออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรชาติก่อนเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่เราจะรู้ได้จากพฤติกรรมของเขาถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขาร่ำแสดงพฤติกรรมเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี เช่นถ้าเขาชอบกินเหล้าชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเตะชอบคบคนไม่ดีมีความเกลียดค้าก็ขอให้เรารู้ว่าว่านี่แหละเขาเป็นคนไม่ดีเป็นเป็นกรรมของเราที่ได้ลูกที่ไม่ดีมาสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็เพียงแต่สอนเขาบอกเขาว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ดีไม่ควรจะกระทำเราสอนให้เขาทำในสิ่งที่ดี ถ้าเขาเปลี่ยนนิสัยเขาได้ก็ก็เป็นบุญของเขาและเป็นบุญของเราแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาและเป็นกรรมของเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องทำใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เราสอนเขาแล้วบอกเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อไม่ฟังเขาไม่ยอมเปลี่ยนเราก็อย่าไปทุกข์กับเขาคิดเสียว่าเขาไม่ได้เป็นลูกของเราอย่างแท้จริง เขาเป็นเพียงคนมาสายท้องของเราอยู่เท่านั้นเองแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายจากการไปเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับลูกมากจนเกิดไปถ้าเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะว่ามันเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้นอกจากตัวเขาเองเท่านั้นที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเขารู้ว่าการประพฤติของเขาไม่ดีแล้วเขา ไม่กระทําแล้วเปลี่ยนมากระทําในสิ่งที่ดีเขาก็จะกลายเป็นคนดีได้หน้าที่ของเราจะมีงมีตรงที่ต้องคอยสอนคอยบอกเขาเท่านั้นใ ห, ให้เขารู้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเช่นลูกเราที่เราให้มาบวชในนี่ก็เป็นการมาให้เขาได้มาศึกษาให้เขาได้มาเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี เพราะบางทีเราเองก็ไม่รู้ด้วยตัวเราเองสอนเขาบางทีเขาก็ไม่เชื่อเพราะการกระทาของเรามันบอกเราทำตัวไม่ดีแต่เราสอนให้ลูกดีนี้เขาก็จะไม่เชื่อเช่นเรากินเหล้าแล้วเราก็ไปสอนลูกไม่ให้กินเหล้าเขาเห็นเรากินเหล้าเขาก็จะไม่เชื่อเราเราจึงต้องมาฝากวัดไว้ให้มาอยู่กับพระเพราะพระท่านไม่กินเหล้า พอสอนลูกไม่ให้กินเหล้าลูกเขาก็เชื่อพระดังนั้นถ้าเราไม่สามารถสอนลูกได้เราก็ควรที่จะเอามาฝากวัดไว้เอามาบวชเป็นเนรเอามาบวชเป็นพระเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เมื่อเขาเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีและชั่วเขาก็จะได้ปรับตัวเขาเองได้เขาก็จะเปลี่ยนตัวเขาเองจากคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้ ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็อย่าไปทุกข์กับเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องกรรมของเขาเป็นเรื่องของความหลงของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้นี่คือเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของความดีของความชั่วเรื่องของความสุขของความทุกข์ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์แต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราเชื่อและปฏิบัติตามได้ร่ลำลอมได้ว่าชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรษะธนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค่วขกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ